ตอนนั้นผมเลิกเลิกสิ่งเสพติดทุกอย่างนะเพราะมันรู้จริงเนี่ยมันเกิดขึ้นพนายในจิตใจจริงๆครับเรื่องนี้ลหละครับมันไปตรงเอากะวัติินเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างหยาบมันก็หยาบที่สุดแล้วครับมาคูบุรีสิ่งเสพติดหมืนเหมานี่หยาบที่สุดครับตังกิเลสแต่เราไม่รู้กิเลสจะละกิเลสได้ไหมไม่รู้ละไม่ได้ อันนี้มันเกิดขึ้นมาจากจิตใจครับผมก็เลยเลิกได้ครมันกลัวครับเหมือนกับปิงที่จะมาเกาะเรารมันกลัวอย่างนี้ปิงนี่ถ้าเรามันมียาเข้าครับบางท่านอาจจะไม่รู้ปิงหรือทากนี่ครับบ้านผมเรียกว่าทากหรือว่าปิงครับทากปิงครับมันจะมาเกาะมันจะมาดูดกินเลือดเราถ้าเรามียากันไว้แล้วเนี่ย มันไม่แตะเลยพอีิถูกินมันน้อยไปรลกทันทีครับอันนี้ก็เหมือนกันครับมันเลิกได้ถ้ามันคิดว่าจะสุบบุรีมันเห็นเลยมันอาเจียนครับคือมันอาเจียนภายในจิตใจครับมันไม่ต้องทำแล้วครับการทำชั่วเนี่มันไม่ต้องทำจริงๆครับเรื่องนี้ครับตอนนี้ผมรู้จริงๆครับเรื่องกิเลสตัณหาอุปทานกรรมนี่ไม่ต้องไปอดขั้นอะไรมันครับจะให้รู้จริงๆ ดังนั้นการศึกษาเล่าเรียนมาจากตำลับตำราและครูบาอาจารย์สอนมานั้นก็ดีแต่เราต้องปฏิบัติกิเลสเนี่ยถ้าเราไม่เลิกมันมันก็ไม่หนีครับอย่าไปพูดว่ากิเลสอย่างนั้นอย่างนี้ครับกิเลสเห็นชัดๆเนี่ยคือตัวอย่างสูบบุหรี่กินกันชาเฮโรอินกินเหล้าอย่างนาเนี้ยชุลานี่ครับอันนี้แหละกิเลสครับ แต่เราไม่ได้พูดถึงเรื่องจิตใจนะครับอันนี้กิเลสย่างยาบครับใครใครก็รู้ครับแต่เรื่องจิตใจก็แสดงโคมโกรธหน้าดําหน้าแดงขึ้นมาอันนั้นก็อีกแล้วนะมันยังหนักแล้วนะนี่เรากิเลสย่างยาบก็คือตัวโทสะนี่เองตัวโมหะตัวโลภะทั้งสามอย่างนี่นะมันเป็นตะกูลเดียวกันครับบัดนี้เราจะปราบตระกูลเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านสอนให้เราลูบทุกให้ลูบทุก สมุทัยโลดมักท่านสอนอย่างนี้ทุกให้รูต้นเหตุของทุกและที่เกิดของทุกท่านสอนอย่างนี้ให้รูสมุทฐานของทุกและที่มาของทุกดับทุกให้ได้ท่านสอนอย่างนี้อันนี้แหละผมมาเข้าใจตอนนี้ครับตอนนี้เมื่อตอนตอนเย็นมันรู้ครับตอนเย็นมันรู้ตอนหกโมงมาถึงในเกณฑ์จัก ไม่ถึงทุมนะครับผมก็เดินก็เลยหมดขมล่วนเลยรู้แล้วก็เบาใจครับโอ้จิตใจภูมิเบาปลิวไปหมดตลวตัวนี้ไม่มีอะไรหนักเหนื่อยอะไร้วครับสบายใจนี่ปีติเกิดขึ้นมาแล้วครับตอนนี้มีปีติปีติเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติให้รู้มรรคผลเบื้องสูงท่านสอนอย่างนั้นแต่เราเลยมาติดปีติผมไม่รู้จักปีติในขณะที่ผมเป็นเหมือนกันกับทุคนเป็น วิปัสนาไม่รู้จักวิปัสนาจริงๆครับเหมือนกับคนเป็นบ้าไม่รู้จักว่าตัวเองเป็นบ้าครับเหมือนกับคนเมาเหล้าไม่รู้จักว่าตัวเมาเหล้าครับอันนี้สมมุตินะคนกินเหล้าเมาเนี่ยกินสุราเมานะถ้าหากมีเพื่อนห้ามอย่าไปกินมากนะลุงหรืออา้าหรืออาหรือเพื่อนเราไม่เมาเราไม่เมาเนี่ยคนยิ่งกินก็ยิงเมาเหมือนกันจริงๆครับ คนเป็นบ้าก็เหมือนกันบอกว่าอย่าไปอย่างนั้นอย่าไปอย่างนี้นเขาจะเรียกว่าบ้าใครจะว่ากูเป็นบ้า<ๆ>กูไม่เป็นเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นมเมื่อคนดีๆจะเอกไปโรงพยาบาลดีไม่ยอมไปครับนี่คนบ้าก็เหมือนกันไหมครับที่ที่ผมพูดนี้พอที่จะเข้าใจนะเข้าใจเนี่ยคนเป็นบ้าไม่รู้จักบ้าคนเป็นวิปัสสนูก็เหมือนกันนักปฏิบัติธรรมเนี่ครับผมฟังดูแล้วมันมันสําคัญครับวิปัสสนุที่ผมไม่รู้ ตอนผมปีนุปัสนูผมไม่รู้ผมก็เลยเดินจมคมไปเมื่อผมรู้ปรัสสนูตอนจิตใจผมเปลี่ยนแล้วได้ครับตอนนี้ผมรู้แล้วตอนนี้จิตใจผมเปลี่ยนตอนเย็นตอนกลางวันนั้นผมไม่รู้ตอนเย็นมาจิตใจผมทําลายโมหะโทสะโลภะเหล่านี้ได้มากิเลสตัณหาประทานคนํานี้ผมไม่ต้องวิตกกังวลสิ่งเหล่านี้ผมทําคมเรียบร้อยมาจิตใจเปนเปลี่ยนเป็นพักเป็นพักมาจริงๆครับ มันถูกต้องแล้วที่ตำราเขียนเอาไว้นะครับแต่เราไม่ปฏิบัติตามตำรามันคือเลยไม่รู้ครับมันเป็นอย่างนี้ครับตอนนี้ผมเป็นปีติครับปีติความอิ่มใจครับปีติความพอใจตาราพูดอย่างนั้นผมเป็นปีติผมไม่รู้ดีใจใครมาพูดมาถามอะไรยิ้มได้ไม่มีความโกรธความโบความหลงไม่มีจริงๆแต่ว่ามันติด ติดดีใจเมื่อติดดีใจมันก็เลยบางครัง้งบางคราวก็เลยไม่ได้มาดูผมคิดครับมันเป็นอย่างนั้นครับเป็นอย่างนั้นจนดึกผมเดินจมกลมสร้างจังหวะทําไปมานอนครับนอนพอดีนอนประมาณจากสามชั่วโมงเหมือนเดิมนะั่นนอนพอดีนอนตื่นมาแล้วผงก็มาล้างหน้าแปรงฟันล้างหน้าแปรงฟันแล้วผมก็นั่งทําอยู่นี้ในห้องนอนแล้วก็ออกไปเดินจมกลม นั่งสร้างจังหวะแล้วไปเดินจมกมตอนออกไปเดินจมคมเนี่ยครับผมมาเดินไปเดินมาตอนนี้ก็เหมือนเดิมรับดึกครับแต่ที่นั้นไม่มีไฟฟ้าครับผมจุดเทียนไว้เทียนเทียนไขครับจุดไว้ในบ่อ น, นี้ผมก็เดินไปเดินมามีตะขาด บ, บ้านผมเรียกว่าคี้เข็ดครับคำว่าตะขาบนี่อาจจะบ้านผมจะไม่รู้ครับว่าคี้เข็ดอย่างรู้ครับ ว่าที่เข็บทางภาคต่างหรือคนส่วนมากอาจจะบลูได้กรับตะขาบครับมีตะขาบตัวหนึ่งมันมาจากที่ไหนไม่ทราบผมเดินจมกอง ม, มันแล่นผ่านหน้าผมไปพอดีมันแล่นผ่านหน้าผมไปผมมองดูตะขาบตัวนั้นใหญ่นั้นใหญ่กว่าโป้มือเรานี่นะครับใหญ่แล้วกับอยากว่าเครบนึงได้แล้วครับตัวมันใหญ่มันยาวครับผมก็เลยกลับวกไปเอาเทียนที่ผมเอาจุดไฟไว้ ผมไปเอาเทียนทางนั้นมาแล้วก็เอามาไฟมาซอกหาตามติดตามไปตะขาบตัวนั้นไม่เห็นเพราะมันไปไกลแล้วครับมันไปที่ไหนผมไม่เห็นไม่ทราบกับมันแล้วมันซอกไปนานพอสมควรได้มองไม่เห็นผมก็เลยเอาเทียนเอาไฟนะกลับมาไว้ที่เดิมแล้วก็เดินไปเดินมาพอดีเดินไปเดินมาเกิดมีผมคิดสนิทหนึ่งขึ้นมาอีกแล้วครับตอนนี้ครับนี่ อันนี้แหละความคิดแตกๆที่มันเป็นอัศจรรย์เกิดขึ้นมาจากภายในจิตใจส่วนลึกของจิตใจอันนี้ครับนี่ผมเข้าใจอย่างนั้นเกิดความคิดขึ้นมาเรื่องศีลครับแต่ตามตัวหนังสือตํำรับตําลาวานั้นว่าอาธิศีลสิกขาอาธิจิตตะสิกขาอาธิปัญญาติกขาว่าอย่างนั้นตําลาผมเคยรู้มาแต่ตอนผมรู้มันไม่ได้พูดอย่างนั้นอีกแแล้วครับมันว่าศีลขัน สมาธิขันปัญญาขันมันเข้าใจอย่างนี้ขันไปว่ารองรับขันไปว่าที่ขันไปว่าเรียบร้อยนี่มันเข้าใจอย่างนั้นขันไปว่าสะอาดมันพูดยังไงกี่ประถาครับมันก็เลยสมมุติเข้าว่าเหมือนกับฟืนที่ทําผ้านะครับถ้าฟืนขันฟืนที่ดีนั้นเมื่อผ้ามันสวยมันสะอาดดีผมเข้าใจอย่างนี้ถ้าเป็นขัน เอาไปตัก บ, บาตเอาไปใส่ข้าตัก บ, บาตให้พระเรียกว่าขันตัก บ, บาตถ้าเอาไปตักอาหารกินก็เรียกว่าขันมาตักอาหารกินถ้าไปตักน้ํากินก็ жизнь, เรียกว่าขันตักน้ํามันเลยเข้าใจไปอย่างนี้ครับก็เลยเมื่อเข้าใจว่าศินขันสมาธิขันปัญญาขันสินแปลปกติเนี่ยมันเลยเข้าใจมาตอนนี้ครับคือปกติกายปกติวาจาปกติใจครับ คนใดยังกายไม่ปกติวาจาไม่ปกติจิตใจยังไม่ปกติอันนั้นือว่ายังไม่มีศีลสมัยผมไปสมทานอุโบโสถศีลกับคนเฒ่าคนแก่นั้นผมไม่รู้ครับเรื่องนี้แต่ผมว่าผมรักษาศีลนั้นแต่ความจริงนั้นมันทุกน้อยครับมันไม่ทุกมาครับเรื่องนี้มันไม่ทุกต้องถึงห้าสิบเปอเซ็นเลยคราวนั้นครับคือมันทุกน้อยทุกตามสังคมนั่นเองครับ ตอนนี้มันรับรองได้ทูกต้องลอยเปอร์เซจริงๆครับเรื่องนี้เอาชีวิตเป็นเดิมพันได้จริงๆครับเมื่อผมมีศินรู้จักศินศินคือปกติเพราะทุกคนเป็นปกติอยู่แล้ว <c oughs> จิตใจและชีวิตของคนเป็นปกติปกติอันนี้แหละครับมันมีอยู่ในคนทุกคนมันไม่ใช่มันไม่มีคําว่าปกติเนี่ยพวกท่าน ทัหลายฟังผมพูดเดี๋ยวนี้จิตใจเป็นยังไงครับเรนนี้ใชยเป็นปกติไหมครับใชเป็นปกติดีนะ อ, อ๋ออันนี้แหละเรียกว่าศีลครับศีลแปลว่าปกติเมื่อมีอะไรคิดวูบขึ้นมามัน ม, มันผิดปกติใช่ไหมครับครับใชครับนะอันผิดปกตินั้นอ่ะแปลว่าไม่มีศีลแล้วครับนี่มันเข้าใจอย่างนี้ผมเข้าใจบัด น, นี้จิตใจมันคิดมันประกอบด้วยโทสะโมหะโมพะมันรู้จักจริงๆครับศีลจึงว่าเป็นปกติ ติ้งจึงกำจัดกิเลสอย่างหยาบเพราะมันกำจัดกิเลสโทสะโมหะโลภะกิเลสตัณหาอุปาทานกรรมมันแล้วมันจึงว่ามันยังมารู้จักตัวนี้ครับบัง น, นี้สมาธิเป็นเครื่องกำจัดกิเลสอย่างกลางนะมันกำจัดกิเลสแล้วมันยังรู้นะครับเรื่องนี้ครับพอดีผมรู้อย่างนี้ผมสะดุดใจขึ้นมาผมจิตใจผมสะท้อนไปถึงพวกอาลาดาบุตรอุทกาดาบ ท, อาาบทสองอาจารย์นั้นสอนพระพุทธเจ้า แต่สมัยนั้นไม่ใช่เป็นพระพุทธเจ้านะครับเป็นเจ้าชายศรีสักกุ ม, มาร น, นะครับและผมก็คิดถึงไปสะท้อนถึงที่สมัยผมไปนั่งภาวนาทํากรรมฐานตัวแข็งเม่อผมขึ้นไปสะท้อนไปทางบนี้อันกิเลสอย่างกลางนี่ครับมันไปติดอารมณ์ความยินดีมันตีปีติครับเมื่อไปนั่งสมาธิตัวแล้วมันเย็นสบายอย่างนี้มันไปติดตัวนี้ทำใหมันเป็นปีติครับ เมื่อผมทำลายอันนี้ได้แล้วอความปีติมันคลายๆมันไม่มีมันเป็นปกติครับเมื่อผมรู้จักปกติครับก็มีสินผมก็เลยคิดโอ้อย่างอาลาดาบทุตกาดาบทสองอาจารย์นั้นสอนให้เรียกว่าเราเคารพนับถือพระพุทธเจ้านี่ครับเจ้าสายสิทธัตถคุ ม, มาณไปเรียนกับอาลาดาบทคนแรกสอนให้ได้สมบัติเจ็ด สมาบัจเจตนั่นเขาเรียกว่ารูปสารสี่อาลูปสารสามเข้าสารออกสารได้คล่องแคล่วว่องไวเหมือน ก, นกันกับอาจารย์แต่ความโกรธขมโลภขมหลงยังไม่หายอันนี้เจ้าใส่สิทธัตถุมารหรือพระพุทธเจ้าคนลาอาจารย์คนนั้นไปเพราะอาจารย์หมดขมรู้อันนี้ครับจากนั้นก็ไปเรียนกับอาจารย์คนที่สองนี่ว่าอุทธกะดาบุตรครับเรียนนําอาจารย์คนนี้ได้สมาบัติแปดครับ ได้ลูบซานตีอาลูปสาน ต, าตีเข้าสานออกสานได้คล่องแค่อวว่องไวเ ห, าา <ME> งไไไเหมือนกันกับอาจารย์เมื่ออาจารย์ทําอย่างไงได้ก็ได้หมดเหมือนกับอาจารย์แต่ความโกรธโกลมโลภโกลมหลงยังไม่หายบางครั้งบางข่าวเห็นพวกปัญจวัคคีตังห้าทําอะไรต่างๆไม่พอใจก็มีบางครัง้งบางค่าวได้ยินพวกปัญจวัคคีตังห้าพูดกันอะไรได้ยินไม่พอใจก็มีอันพอใจก็มี อันนี้พระองค์เลยคํานึงว่าเอ๊ะนี่อาจจะมาเป็นทางศัดสรูปไม่เป็นทางพทุทธล่ะมัง้งพระองค์ก็เลยคิดอย่างนี้เมื่อคิดอย่างนี้ก็ถามอาจารย์อาจารย์ก็เลยรับมุดคมรู้แล้วถ้ามุดคมรู้แล้วพระพุทธเจ้าของเราในสมัยนั้นยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะครับก็เลยลาอาจารย์ก็บอกว่าไม่ให้หนีประกาศธรรมะที่เราสอนให้นั่นแหละให้คนที่ไม่รู้ได้รู้ขึ้นมา คนที่ไม่เข้าใจให้เขาเข้าใจขึ้นมาพระ อ, องค์ก็ไม่พอพระไทยไม่พอพระไทยอยู่ไม่พอพระไทยจะไปประกาศศาสนาเพราะว่าอันนี้ยังไม่เป็นทางดับทุกข์ไม่เป็นทางดับร้อนมันยังร้อนมันยังมีความทุกข์อยู่นี่อันนี้เราจะเข้าใจได้ดีพวกที่ศึกษาเราเรียนตำลับตำราดังนั้นการทําสมถกรรมาฐานนั้นเราเห็นได้รู้ได้เข้าใจได้อันนี้ไม่ใช่เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้า แต่มันก็มีอยู่อย่างนั้นตลอดมาเรื่องนี้ครับเรื่องลิ์เรื่องเดชเรื่องอะไรต่างๆเราพูดกันอย่างนั้นนะครับแต่ผมไม่ยอมพูดไปและเพราะว่าจะพูดกันตรงๆเพื่อทำความเข้าใจกันในวันนี้ครับเมื่อเป็นเช่นนั้นพระองค์ก็เลยดาอาจารย์ก็ไม่เอาไว้ได้เพราะพระองค์จะหนีไปแล้วแต่ตอนอดข้าวอดน้านี่ไม่ต้องพูดกันได้ครับ ทำทุกกากิริยาเนี่ไม่ต้องพูดก็ได้บัด น, นี้เมื่อเดินมากับพวกปัญจวัคคีทั้งห้าก็เห็นพระองค์กินมักขามป้อนมักสมมอเนี่ยครับพวกปัญจวัคคีทั้งห้าคนนี้เลยพระองค์เขาไปคนเดียวอันนี้เรียกว่าสังัดกายสังกัดวาจาใจยังไม่สงบไม่สังัดครับเพราะว่าไม่คุกคีด้วยกับเพื่อนกับมู่แล้วเพราะไม่มีคนไม่มีเพื่อนแล้วครับไปคนเดียวแล้วครับตอนนี้ไต่ก็ไปพบอานังสุดสดาแน่ย เราจะเห็นได้การไหววอนปวงสวงเสื้ออันนั้นอันนี้ไม่เป็นประโยชน์นะครับแต่เป็นประโยชน์เฉพาะคนที่ยังไม่รู้เมื่อคนรู้แล้วเขาจะไม่ทําครับนางสุดสดาเอาเข้าไปพวงสวงเทวดาเนี่ยการไหววอนเทวดาแล้วจะทําอะไรให้เรามันไม่ได้ครับเทวดาก็เหมือนกันครับพระองค์ก็เลยถามนางจะถวายตังแต่ข้าวหรือจะถวายทั้งหมดท่านถามนาง นางก็บอกว่าถวายทั้งหมดจะไม่เอาอะไรกลับคืนวาอานั้นเมื่อพระองค์ได้รับประทานลรกเสวยหรือว่ากินหรือว่าสันหรือจะว่าอะไรก็ได้เป็นเรื่องสมมติพูดคัดตอนนี้ครับเมื่อกินข้าวนางสุตดาอิมแล้วพระองค์ก็เลยจับขันนั่นไปที่ลินแม่น้ำแต่อธิษฐานไหว้วอนว่าอย่างนั้น ถ้าหากข้าพระเจ้าจะได้ตัดจะรู้เป็นพระพุทธเจ้าข้ากิเลสตายคายกิเลสหลุดนั้นข้าพระเจ้าวางขันใบนี้ลงไปแล้วให้ขันใบนี้ทวนกระแสของน้ําขึ้นไปถึงต้นน้ําะไรอย่างนั้นออตรงกันข้ามถ้าหากข้าพระเจ้าจะไม่ได้ตัดจะรู้ข้ากิเลสไม่ตายคายกิเลสไม่หลุด มันได้เป็นพระพุทธเจ้าวางขันลงวางขันใบนี้ลงไปในน้ําแล้วให้ขันใบนี้ลอยไปตามกระแสของน้ําอย่างไรพวกท่านก็คงจะเคยได้ยินได้อย่างนี้ครับครับเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินออันนี้แหละเรื่องาหรับตำนานมันมีอยู่แล้วครับตอนนี้ขันเนี่ยเราเข้าใจว่าขันอันนั้นจริงๆเนี่ยอาจจะเป็นขันอันนั้นจริงๆก็ได้ขันนี่คือขันห้าผมขอพูดตรงๆ ต, ต, ตามทัศนะความเข้าใจของผมครับ ขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารบิญญาณขันห้าเมื่อตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายถูกสัมผัสถ้าองค์เอาสติมาดูจิตใจนึกคิดครับทวนกระแสของขมคิดแน่ตัวหนังสือก็เลยมาพูดว่าอายตนะหกอายตนะภายนอกหกอายตนะภายในหกตาเห็นรูปสวยไม่สวยอย่าไปเข้าใจ ให้เห็นสักว่าเห็นเท่านั้นหูฟังเสียงเพาะไม่เพาะ อ, อย่าไปสนใจมันให้รู้สึกว่าสักว่าเสียงเท่านั้นเนี่ยเคยสอนอาจารย์นักวิปัสสนาสอนอย่างนี้จริงครับคําสอนนั้นจริงแต่มันไม่เข้าใจตอนที่ผมพูดนี้ครับพระ อ, องค์วางขันลงไปแล้วพระ อ, องค์ก็เลยขึ้นมานั่งริสต้นโพวยังไงเมื่อมานั่งที่ต้นโพก็เลยทําธุระทางจิตเพราะสิ่งอื่นนั้นทํามาแล้ว มันยังไม่ได้ผลเรื่องข่มโกรธข่มโลภข่มหลงเนี่ยมันจะอยู่ที่ไหนสันพระองค์ก็เลยมาพยายามดูจิตดูใจของพระองค์มันคิดขึ้นมาพระองค์ก็เลยเห็นเลยรู้เลยเข้าใจเมื่อมันคิดขึ้นมาพระองค์ก็เห็นก็รู้ก็เข้าใจว่าข่มโกรธข่มโลภข่มหลงมันไม่ได้มีพระองค์คงจะเข้าใจอย่างนี้เขาไม่ทราบแต่ผมก็เข้าใจอย่างนี้ครับข่มโกรธข่มโลภข่มหลงไม่มีข่มโกรธ ความโลภความหลงนี่ถ้าพูดอย่างนี้คงจะเข้าใจมันไม่มีในขณะมันเกิดขึ้นมานั้นเราไม่มีสติคือเราไม่รู้สมฐานต้นเหตุกาเนิดที่เกิดของทุกนี้เองครับเหมือนกับผู้ร้ายมันจะมาลักของเราแต่มันไม่ได้อยู่ที่บ้านเรานะครับมันมาจากที่ไหนไม่ทราบเราเลยไม่อยู่บ้านเราเราเปิดประตูไว้ไม่มีกุญแจผู้ร้ายมาันก็มาขนเอาของเราไปหมด อันนี้ก็คายคลาเหมือนกันแต่ความจริงนั้นความโกรธความโลภความหลงมันไม่ได้มีอยู่ที่ตัวเราจิตใจของคนทุกคนมันเป็นปกติอยู่อย่างนี้ครับพอดีเราเผลอสติคือเราไม่เคยดูจิตดูใจดูสิ่ของเหล่านี้เองมีคนนั้นคนนี้มาพูดให้เราเกิดไม่พอใจหรือเกิดพอใจขึ้นมาทั้งสองอย่างนี่นะครับเป็นทุกข์แต่ทุกคนนั้แบบกันผมก็เลยมาให้เสื้อว่ามืดสีขาว คือมีคนมาพูดให้เราเราดีใจนี่มืดสีขาวมีปีติครับมืดสีดำแบบ น, นี้ที่คนมาพูดให้เราเกิดไม่พอใจคือความโกรธเกิดขึ้ น, นมีทุกข์เหมือนกันดีใจเป็นทุกอย่างหนึ่งเสียใจเป็นทุกอย่างหนึ่งคับมันตรงกันข้ามอย่างนี้เดี๋ยวนี้เมื่อพูดอย่างนี้ก็จะถามท่านทั้งหลายเป็นยังไงลักษณะจิตใจของท่านเดี๋ยวนี้ครับขนาดนี้เป็นยังไงครับ อ, นนอันปกตินี่จะมีไหมครับมีทุกคนไหมครับขึ้นบามีครับ อ, อันนี้แหละหลักษณะจิตใจของคนมันมีอย่างนี้มันมีปกติอันที่ไม่ปกตินั้นไม่ใช่เป็นชีวิตจิตใจของเรามันจรมาจากทางอื่นครับนี่เราไม่เห็นที่ตรงนี้แหละดังนั้นพระพุทธเจ้าของเราท่านสอนเอาไ ว, ว้ว่าให้รู้จักทุ ก, กที่เกิดของทุกและสมุฐานของทุก ท่านก็นเลยมักเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงความดับทุกข์องอันนี้เราเราเข้าใจพูดกันได้แต่ว่าเราไม่เข้าใจครับตัวความจริงแต่เรารู้กับตัวหนังสืออันนี้เขาว่ารู้จาครับตอนนี้ความจริงมักแปลว่าข้อปฏิบัติมั ก, มกต้องเอาสติมาดูจิตดูใจดูชีวิตของเรานี้เองครับข้อปฏิบัติก็คือเราไปไหนมาไหนทำการทำงานก็ต้องดูอยู่ที่ตรงนี้ต้องปฏิบัติอันนี้ครับ เช่นข้าราชการแบบนี้ครับตำรวจทหารก็ต้องมาดูจิตใจของเหล่านี้แต่ทําการทํางานตามหน้าที่เช่นครูนักเรียนก็เหมือนกันเป็นครูนักเรียนไปสอนหนังสือให้นักเรียนก็ต้องมาดูจิตใจของเหล่านี้แต่การสอนหนังสือก็สอนด้วยความไม่มีทุกข์นี่มันเป็นยังไงครับความจริงทุกไม่มีจริงๆครับผมรับรองได้ตอนนี้ครับถ้าหากเป็นวิดามาดาครับ สอนลูกสอนหลานทําการทํางานก็ทําหน้าที่ของเราแต่เราไม่มีโกรธไม่มีโลภไม่มีหลงสอนด้วยสติปัญญาอันนี้แหละครับคำสอนของพระเจ้าสอนอย่างนี้จริงๆครับเรื่องนี้ครับอันนี้เราไม่สนใจเรื่องธรรมะบางคนเข้าใจว่าคันท่าไปปฏิบัติธรรมะแล้วจะไม่ได้กินต้องไปนอนเสยเอยไม่ทําการทํางานอันนั้นเราเข้าใจถูกน้อยครับ มันก็นเลยไปผิดออกกับคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าขันติควมอดทนนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนให้คนทุกคนทำการทำงานครับควมขยันมั่นเพียรได้น้อยผสมให้มากขึ้นท่านสอนให้คนมีสติปัญญาอันนี้แหละมากไป็นว่าข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงข่มดับทุกแต่เมื่อเราเอาสติมาดูข่มคิดนี่ครับพอเดมันคิดปุ๊บเห็นปับ๊บคิดปุ๊บเห็นปับ๊บ มันก็เลยไม่ได้ถูกปรุงข่มโกรธวามโลภข่ ม, มหนุง ก, ก็เกิดขึ้นไม่ได้อันนี้ลักษณะนี้เขาเรียกว่าลักษณะเกิดดับแต่ไม่ลักษณะเกิดดับที่พลิกมือขึ้นข้อ ม, มือล็งเป็นข้อ ม, มือลงเป็นเกิดเป็นดับอันนั้นเป็นลักษณะเกิดดับสนิดหนึ่งอันนี้เป็นอาการเกิดดับเป็นลักษณะเกิดดับสนิดหนึ่งอันนี้เป็นทางจิตใจครับตอนนี้ครับ อันนี้แหละเมื่อผมรู้จักศีลขันสมาธิขันปัญญาขันนี่มันไปถูกต้องกับว่าอธิศีลสิกขาอาธิจิตตะสิกขาที่ปัญญาสิกขาเมื่อรู้อันนี้มันมันทำลายความสงบได้ครับมันรู้จักว่าความสงบมีสองอย่างครับสงบแบบหนึ่งนั้นสงบแบบที่เราเป็นนั่งอยู่คนเดียวครับอันนั้นสงบแบบที่คําสอนของอาลาดาบทอุตการดาบทหรือใครๆก็ไม่ทราบครั บ, รบตอนนั้น แต่สงบแบบพระพุทธเจ้านี่ไม่ต้องนั่งสงบไปไหนมาไหนมันสงบจากโทสะสงบจากโมหะสงบจากโลภะสงบอยู่ด้วยสติปัญญาครับอันนี้สงบแบบคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อมีสงบแบบนี้ล่ะครับจะไปทําการทํางานพูดคิดอะไรโดยไม่มีทุกข์พระพุทธเจ้าท่านสอนคนให้คนไม่มีทุกข์ทาการทํางานครับคนที่ไม่มีทุกข์แล้วจะทําอะไรอะไรไม่พลาดผิดคับ เนี่ยหลักษณะที่ผมพูดกับท่านเมื่อกี้ว่าหลักธณะเป็นปกตินี่แหละพระพุทธเจ้าท่านเรียกว่านิพพานคำว่านิพพานนี้มันเป็นภาษาของคนอินเดียพูดนะครับตอนนี้แต่ว่าไม่ใช่ที่นี่นะนิพพานแต่ว่าเป็นหลักษณะนี้ครับแต่อันนี้ผมก็เลยรู้ปัญจามาฌานครับตอนนี้ผมรู้ปัญจแต่ขนาดเดียวกันนั้นนะ่ะเหมือนกับที่ผม อตอนเย็นเนี่นะผมหลักษณะจิตใจผมเปลี่ยนสองครั้งต่อนั้นตอนนี้ก็จิตใจผมเปลี่ยนสองครั้งเหมือนกันครับตอนนี้จิตใจผมเปลี่ยนทําลายความสงบแบบนั้นได้ก็เลยรู้จักความสงบสงบนั้นแบบที่อยู่ในถ้ำอุปมาให้ท่านฟังครับมันเป็นเรื่องสมมุติครับท่านเคยกินน้ําแข็งไหมครับเคยครับเคยเคยกินน้ําแข็งนะ จิ้ม น, น้ำแข็งให้มันเย็นใช่ไหมครับแต่พอดีเย็นแล้วบัด น, นี้จริงเข้าไปนานๆเหนือออกมาใช่นะครั บ, รบอันนี้แหละมันสงบแบบน้ําแข็งแต่สงบแบบน้ําแข็ง น, นี้มันสงบแบบคําสอนไม่ใช่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าบัด น, นี้สงบแบบหนึ่งสงบแบบลงน้าลึกๆน้าบ่อน้ําอะไรก็ต า, ามแต่มันเย็นดีครับเรายิ่งลงไปลึกมายิ่งเย็นครับถ้าเรากินลงไปมันก็นเย็นมันไม่ทําพิษอันนี้ร อันนี้สงบแบบเย็นสงบแบบสติปัญญาสงบแบบคําสอนของพระพุทธเจ้าสงบแบบเห็นแจ้งรู้จริงอันนี้ครับความสงบจึงมีสองอย่างครับฉะนั้นหลักธณะทําตัวแข็งผมจึงกล้ารับรองได้ว่าผมสอนได้ครับแต่ไม่ใช่เป็นทางดับทุกข์ได้ครับมันดับได้ซั่วคข้างซั่วข่าวรู้ซัวคู่ซั่วขาว่ขวขาวเท่านั้นครับเรื่องนี้ครับ ที่ผมนํามาเล่าเนี่เป็นความจริงนะครับเรื่องนี้ครับตอนนั้นผมก็เลยรู้เรื่องอาลาดาบทุตกาดาบทุทเหล่านี้ตอนที่จะรู้อันนี้มันมีอารมณ์ทําลายความสงบนนี้ทําลายพวกกา ม, มาสาวะกามการตกอันหน้าอยู่ของกามจำพวกเทวดานี่เองครับมีสงบสงบอย่างเทวดาครับพระพุทธเจ้าจริงว่าตันนีตนันนีเมืองสวรรค์ครับ ตำแีความสุขเมืองสวรรค์กามาสะวะพระวาสะวะอวุสาสะวะผมเห็นผมรู้เห็นรู้อันนี้ก็เลยทําลายความสงบแบบนั้นได้จริงๆรับรองต้องรู้มาอย่างนี้ครับอันนี้เป็นอารมณ์ของวิปัสนาเห็นแจ้งรู้จริงเมื่อทําลายอันนี้แหละครับจิตใจผมก็เลยสบายขึ้นมาเดินไปเดินมาผมเกิดความรู้แปลกแปกขึ้นมาเป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์จริงๆครับ คว่าอัศจรรย์นี่หมายถึงสิ่งที่เรายังไม่เคยรู้มันรู้ขึ้นมาสิ่งที่เรายังไม่เคยเป็นมันเป็นขึ้นมาสิ่งที่เรายังไม่เห็นมันเห็นขึ้นมาครับมันเป็นหน้ามุดหน้างอหน้าอัศจรรย์จริงๆครับเรื่องนี้ครับเหมือนกับหน้ามือหลังมือนี่ครับดำเป็นขาวมันเป็นอย่างนั้นครับตอนนี้ผมเข้าใจจริงๆเรื่องนี้ครับเมื่อเข้าใจเช่นนี้แล้วผมก็เลยเดินไปเดินมันปรากฏขึ้นมาอีกแล้ว การทำดีบอลนี้ทำดีทำอะไรก็ตามเขาทำดีด้วยกายเอากายไปทำแต่คำพูดไม่พูดครับอันนี้เป็นการทำดีด้วยกาย <t> บาอล น, นี้คำพูดดีว่าทำดีด้วยวาจ า, าพูดดีๆพูดอะไรพูดดีๆครับพูดดีพูดเพราะไม่มีคนใดจะมีความไม่พอใจพูดให้พอใจคนนะครับบัลนี้กายนี่ไม่ต้องทำอะไรแต่มีแต่คำพูดเท่านั้นเองบอลนี้คำพูดไม่ต้องพูด กายก็ไม่ต้องทำเยจิตใจคิดในแทางที่ดีครับคิดดีจริงๆแต่ไม่ได้ทำไม่ได้พูดคิดมิตริคิดเท่า น, นั้นเองสามอย่างนี้เนะี่ยเป็นหลักษณะของไทยผมรู้จักอย่างนี้ครับบัด น, นี้ทำชั่วบัด น, นี้ทาชั่วด้วยกายบัด น, นี้แต่ว่าคำพูดไม่ต้องทำชั่วไม่ต้องพูดชั่วแต่ทำชั่วด้วยกายเท่านั้นเองการทำชั่วด้วยกายทำทุกวิธีทางครับอย่างนี้อันนี้แบบหนึง่ง ระเบนี้กายไม่ทําชั่วไม่ไต้พูดชั่วคำหยาบคายตําหนิคนนั้นตําหนิคนนี้หาเรื่องไม่ดีนะครับเนี่ยว่าทําชั่วด้วยวาจารครับบัดนี้แต่คําพูดไม่พูดคำหยาบคายกายนี่ก็ไม่ต้องทำหยาบคายครับบัดนี้แต่ใจบัดนี้คิดแต่ทางชั่วลามกคิดไม่ดีนะครับคิดไม่ดีทั้งสามอย่างเนี้เป็นอย่างไรเราเข้าใจอย่างนี้ครับถ้าว่าเป็นทุกข์เป็นทุกข์ชนิดไหน นี่เข้าใจอย่างนี้ถ้าว่าตายลงไปแล้วไปตกนรกสนิดไหนไปเป็นเปรตไปเป็นสัตว์เลือสาสนิสไหนนี่ผมเข้าใจอย่างนี้จริงๆริบัดนี้เมื่อรวมกันได้เหมือนทำกายกายก็ทำชั่วคำพูดก็พูดชั่วใจก็คิดชั่วทั้งสามอย่างนี้รวมกันเป็นอันเดียวนันเมื่อตายลงไปเป็นยังไงตรงกันข้ามบัดนี้คำกายก็ทาดี วาจาก็ทำดีใจก็คิดดีถ้าหากว่าไปเกิดเมืองสวรรค์ไปนิพพา น, ไ ป, น, านไปเป็นลักษณะไหนเข้าใจอย่างนี้จริงๆครับอันนี้แหละการเจริญสติปัฏฐานสี่ที่ผมนำมาเราเป็นหน้าที่ที่ทุกคนทำได้ในขณะที่เรานั่งอยู่พลิกมือขึ้นมีสติเข้าไปรู้พ่วมมือลงมีสติเข้าไปรู้เดินหน้าถอยหลังมีสติเข้าไปรู้ ก้มเงยเอียงซ้ายเอียงขวามีสติเข้าไปรู้มีแต่การทำดีทางนั้นเพราะวาจาก็ไม่ได้พูดกับใครถ้าจะพูดกับพูดในทางที่ดีใจก็คิดแต่ทางในทางที่ดีครับตอนนี้แหละครับมันปรากฏขึ้นมาครับเมื่อมันปรากฏขึ้นมาตอนนี้สมมุตินะครับผมเคยพูดอย่างนี้บ่อยๆครับเหมือน เ, เอากับเสื้อไปพูดไว้ทางซ้นนั้นทางนึงนนทางนี้ทงนี้เสื้อไหนร่อนนะครับ ถ้าว่าเสื้อกนี่ยคับของจินลุกเสื้อที่ในร่อนที่มันเขามีอยู่ในตลาดขายมาพูกไว้ต้นนั้นพุกทางนึงต้นนี้พูกถางนึงหรือมันตึงแล้วเอาไปไปจุดตรงกลางครับหรือเอามีดไปตัดตรงกลางพอได้ตัดปุ๊บมันขาดเลยครับมันขาดมันก็เลยฟงคืนไปติดต้นเสาของมันทางเดิมแล้วเระจับเข้ามาหาแต่ไม่ถึงกันเลยครับมันไม่ถึงกันแล้วเสื้อตัวนั้นก็ถือว่ามันขาดแล้วมันใส่ไม่ได้ ถ้าจะเอาไว้พูกที่นั้นมันใส่ไม่ได้จะไปพูกกัาทางอื่นมันใส่ได้เราไปแก้ที่พูกเสาต้นนั้นมาแก้ที่พูกเสาข้างนี้มาและมาต่อตรงกลางดึงไปมไม่ถึงส้นหลักอันนั้นอีกแล้ววันนี้เราไปแก้ตรงกลางถึงส้นเสานะถึงส้นหลักส้นต่อทางนะั้นตรงกลางไม่ถึงกันอีกแล้วอันนี้แหละครับมันปรากฏขึ้นมาเรื่องนี้ครับความปัก ที่ที่ผมพูดเนี่ยครับมันเป็นสมมุติเอามาพูดให้ฟังครับเมื่มันคาดออกจากกันนี่นะครับมื่มันขาดออกจากกันแล้วตัวผมคล้ายๆมันจืดหมดเลยครับคล้ายๆคือเลือดในตัวผมนี่ไม่มีเลยครับสำลีเอาไปสุปน้ำเนี่ยครับบีบน้ำออกมาจืดหมดและวันนี้เอาเสื้อไปพุกทางนั้นทางนี้เมื่อตัดตรงการแล้วมันก็ไม่ถึงครับอันนี้แหละมันปรากฏขึ้นมาตอนนี้ครับผมก็เลยรู้จัตุทสารเนี่ยครับ คำว่าจะตูทสาร น, นี่ครับแมว่าหมายถึงว่าฌานทั้งหมดมารวบรวมกันหมายถึงธาตุนี่หอขันห้าอะไรก็ตามเนี่ยมันรวมเป็นจุดเดียวกันครับ mm. เมื่อรวมจุดเดียวกันมันก็พังทลายออกไปเลย mm. ผมสมมุติให้ฟังอีกซึ่งครั้งหนึ่งครับตอนนี้บ้านผมเคยมีไม้สามขาเอามาผูกกันไว้เขาเรียกว่าหิ้งบ้านผมเรียกว่าหิ้งครับหิ้งย่างปาย่างเนื้อเนื้อย่างอะไรก็ตามน่ะบ้านผมเรียกว่าหิ้ง ไม่สามขานี่ยขาจะามาผูกไว้แล้วมัดติกันนะที่เอาขามันยันออกไปทางสามขาเมื่อมันมีสามขามันยันกันอยู่ได้ครับวันนี้เราไปตัดออกแล้วขาหนึ่งมันก็ยันไม่ได้เอาเอาไปสองขาก็ยันไม่ได้เอาตั้งไว้ขาเดียวมันไปอยู่ครับผมปรากฏอย่างนี้จริงๆครับเรื่องนี้ครับถ้าพูดภาษาบ้านผมท่านอาจจะไม่รู้นะครับแต่พูดภาษาสัมมวนอันนี้อาจจะรู้ได้คือไม่สามตัวครับไม่สามสิ้นเอามามัดทางทางนี้แล้วเอาขามัน จ้างอวยจากกักรนะวางไว้ให้มันได้ระดับกันดีบ้านผมเนี่ยวิ่งเดี๋ยวไม้สามขาไปยังกันไว้เราซุกไปทางไหนมันไม่ล้มเลยครับวันนี้เมื่อตัดออกขาหนึ่งออกแล้วยังสองขามันตั้งไม่ได้มันต้องล้มไปทางหนึ่งนะ้วตอนนี้ถ้าตัดเอกสองขาบ้าเนี่ยแล้วยังขาเดียวยิ่งแล้วยิ่งตั้งไม่ได้เหมือนอับกัดหม้อหม้อขวกินเอาไปตั้งก้อนเศร้าก้อนเดียวผมคิดถึงเรื่องพระลักษลามตอนนี้ครับผมคิดถึงเรื่องพระลักษมณ์ มันคิดซอดซ่องไปทั่วตัวมันเลยครับเมื่อมันเป็นอะไรมันคิดไปทั้งหมดเลยครับพระลักพรามสองพี่น้องไปด้วยกันเนี่ยพิ่สายจะฆ่าน้องสายน้องสายมีคมรู้ดีครับถ้าจะฆ่าจริงๆให้กินข้าวกินน้ำไม่ยังฆ่ากันทําครัวจริงๆพิ่สายก็เลยให้ดูริยาให้น้องสายทําครัวเอาใจมาติดน้องสายมีปัญญานี่ยครับเขาไม่โกรธนะครับ พี่สายกำลังมีความโกรธอยู่นะครับดังไฟทิ้นเดียวดังไฟด้นเดียวครับเขาไม่ไปติดมันก็ไม่ลุกเลยเป้ายานั่นนะบันนี้เอาพอดีไฟมันติดบันนี้เอาก้อนเต้าก้อนเดียวเอาม้อไปตั้งพี่สามึงเอาไปใส่สองอันสามอันให้มันเป็นก้อนเต้าเป็นทําไมพี่สายคุณเอาฟืนมาใส่หลายด้นไปนทําไมอย่าไปทางดุนเดียวมาจะนานได้กินนี่ยเน่ยหาอย่างนั้ น, ยย น, นแต่พี่สายหายเก่ง น, น้องสายก็เลยพูดให้พี่สายว่าที่ ถ้าพี่ฆ่าผมไปแล้วกับพี่สายอยู่คนเดียวาใครจะมาเป็นเพื่อนพี่เดี๋ยวนี้นี่พี่พี่โกรธนะพี่น้องไม่โกรธนะคือเรื่องนี้มันเรื่องกวงคําครับแต่ผมไม่ได้พูดกันครับเรื่องนี้ถ้าหากพี่ฆ่าน้องไปแล้วใครจะเป็นเพื่อนนี่ยพี่สายก็เลยไม่ฆ่าน้องสายเลยได้ครับคราวนี้ผมมันเข้าใจไปอย่างนึงครับแต่ผมคิดอันนั้นมันแวะไปนะันิดเดียวท่านนี้ผมก็เลยมาเข้าใจเรื่อง จะตัวท่าสารจริงๆเขาหมายถึงมารวมตัวกันพังทลายไปหมดเลยครับอันนี้เรียกว่ามันตายเรียกว่าอาการเกิดดับครับไม่ใช่เกิดดับพลิกมือขึ้นขึ้นเปิดคว่ำมือลงดับไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนะครับลักษณะอาการเกิดดับตอนนี้ครับอาการเกิดดับก็มีหลายซั้นหลายลืดเหมือนกันนะครับที่ผมพูดให้ฟังนี้บันทึกความคิดมันคิดขึ้นมาเป็นเกิดมันหายไปเป็นดับอันนี้ก็เป็นความคิดอาการเกิดดับชนิดหนึ่งนะครับตอนนี้ครับ ตอนอาการเกิดดับผมพูดตอนนี้มันไม่เป็นยังนะอันนี้ลักษณะนี้เรียกว่าลักษณะอาการเกิดดับครับมันขุดลากขุดโคลนมันไปทั้งหมดเลยครับทีเนี้มันผานไปหมดอย่างที่อญญายตระหนสถึสองนี่ก็ไม่ต้องพูดเลยครับเรื่องนิ้วตาเห็นเป็นรูปหูได้ฟังเป็นเสียงเพราะไม่เพราะไม่ต้องพูดเลยเรื่องนี้ครับอันนี้ลักษณะนี้เรียกว่าลักษณะไม่เกี่ยวข้องเหนือเหนือทุกสิ่งทุกอย่างครับ อันนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนอ่ะเมื่อบุคคลใดมารู้มาเห็นมาเข้าใจธรรมะประเภทนี้ที่มันปรากฏประเภทนี้นะครับมันจะหมดจริงๆครับหายสงสัยจริงๆตอนนี้เมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วผมรู้จริงๆวิปลาสนี้มาเป็นจุดนี้ผมรู้วิปลาสจริงๆครับนี่ที่ผมรู้มานี้ครับวิปัสณูผมรู้เมื่อจิตใจเปลี่ยนครั้งที่หนึ่งสองครั้งนั่นรู้วิปัสณูครั้งที่สองจินตยานผมไม่รู้ จนจิต ใ, ใจผมมาลู่เปลี่ยนครั้งที่สามครั้งที่สี่ที่ผมดูจินตญาณครับตอนใจิตใจผมเปลี่ยนครั้งที่สามผมยังไม่รู้ลุประหลาดครับผมมาลูยประหลาดตอนสุดท้ายครับตอนสว่างใกล้จะฮุ้งเข้ามานี่เหล่ยครับดูลายมือได้ชัดเจนพอสมควรนี่นะ่ะแต่ว่าไม่มองไปไกลก็ยังยังสมุกสมุยครับตอนนั้นครับ นี่แหละผมรู้รวิปัสสนูวิปลาสจิติยาณรู้อย่างทราบซึ่งถึงจิตใจจริงๆครับเรื่องนี้ซึ่งผมรับรองคําสอนของพระพรุทธเจ้าวะไม่หมดยุคไม่หมดสมัยจะเป็นยุคใดสมัยใดก็ตามครับสามารถที่จะรู้ได้จริงๆครับสามารถทําให้คนหมดทุกข์ได้จริงๆครับเรื่องนี้ผมก็เลยรู้อย่างนี้มันก็เลยเป็นตรงเอากับคําสอนคนเฒ่าคนแก่ท่านสอนเอาไว้ว่าพระพรุทธเจ้าตัดผมครั้งเดียววะย ผพระทีเจ้ามันไม่ยาวอีกแล้วท่านนะอันนั้นคนไม่รู้ตัวอันนี้มันปรากฏขึ้นมาจริงๆครับมันต้องรู้อย่างนี้จริงๆแต่มันก็ต้องเป็นจริงๆอีิสระด้วยนี่นะครับนี่เมื่อมันเป็นจริงมันจึงรู้ครับเมื่อมันไม่เป็นจริงมันไม่รู้ครับเมื่อมันรู้อันนี้จริงๆมันก็เป็นจริงๆครับมันจืดไปหมดเนื้อหมดตัวครับเหมือนกับสำลีไปซุปน้ําบีบน้ําออกแล้วน้ํามันไม่เข้าอีกแล้วครับนี่มันเป็นอย่างไงเรื่องอายุตระนาสิบสองไม่ต้องพูดกันได้ครับ ไม่ต้องพูดก็ได้เมื่อมาถึงจุดนี้แล้วครับไม่ต้องสงสัยกังวลอะไรทั้งหมดอันนี้หลักสณะนี้ท่านว่าอยู่เหนือบาปเหนือบุญเหนือดีเหนือชั่วท่านว่ายอย่างนั้นเ น, น, นี่ยคนโบราณท่านสอนเอาไว้ลวกกเลยแม้ตัวหนังสือท่านก็สอนเอาไว้อีกด้วยนะครับตัวหนังสือท่านก็สอนอีกว่าพระอริยบุคคลหรือพระพุทธเจ้าหรือพระลหานั้นทําบาปไม่เป็นบาปทําบุญไม่เป็นบุญท่านว่าเนี่ยมันจะเป็นบาปเป็นบุญทําไมเพราะท่านไม่ได้เอาอะไรท่านทําเสยๆแต่ข่มชั่วท่านไม่ทําครับ เพราท่าเนเห็นท่านรู้แล้วนี่ครับลักษณะที่ผมพูดนี่คือมือมันรู้ว่าทําบาปด้วยกายทําบาปด้วยวาจาทําบาปด้วยใจมันรู้ลักษณะนั้นจริงๆครับบัดนี้ทําบุญด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจทําดีอย่างนั้นเป็นลักษณะมันรู้อย่างนี้จริงๆเมื่อมันรู้แล้วมันจะทําได้ทําไมครับเรื่อง น, นี้ครับเพราะมันเห็นมันรู้มันเข้าใจทราบซึ่งจริงๆครับเรื่อง น, นี้ผมรับรองได้ครับรับรองได้จริงๆครับเรื่อง น, นี้และมันมีอยู่ในคนทุกคน ลักษณะนี้่แหละมันจะเกิดขึ้นมาพอเดีมันเกิดขึ้นมาแล้วก็ไม่มีอะไรครับรูปเบื้งผมผมเนี่ยผมเอามือรูปหัวผมในสมัยนั้นผมก็มีผมเหมือนกันแต่มันคือไม่มีผมนี่เลยครับแต่มันมีผมมันคล้องมืออย่างรวบ ม, มันหัวโลนอย่างนี้นะครับผมรูปอย่างนี้โอ้เหมือนกับถอนผมออกจากในศีรษะในหัวผมนี้ทุกเส้นเลยครับมันเป็นอย่างนั้นครับถอนออกทางเนื้อทางตัวจริงๆครับโอ้ผมันเน จิตใจเป็นไปนอย่างนี้นะผมเข้าใจอย่างนี้จริงๆเดือนนี้ก็ถามพวกท่านอีกแล้วหนรับลักษณะปกติจิตใจไม่ดีไม่ชั่วอย่างนี้มีไหมครับมีครับมีทุกคนนะครั บ, รบออลักษณะนี้แหละครับที่พระพุทธเจ้าพระนิยาบุคคลท่านมาอยู่ลักษณะนี้ครับทําการทํางานได้โดยไม่เป็นทุกข์ไม่เดือดร้อนอะไรใครทั้งหมดเลยครับอันนี้แหลเประว่าทํางานปูสาพระพุทธเจ้าทํางานปูสาพระธรรมทํางานปูสาพระสงฆ์ เราเกิมเลยมาสวดว่าสุปฏิปโาาัโนภะคะวะโตสาวกสังโฆท่านพระสงฆ์สาวกของพระพุูยภาคเจ้านั่นหมูใดปฏิบัติดีแล้ว burada. ปฏิบัติดีปฏิบัติอย่างไรไม่รู้เลยไม่รู้เลยไม่ใช่า ป, ปฏิบัติดีทําการทํางานอันนี้ไม่ใช่อย่างนั้นครับอุชุ ป, ปฏิปโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสงฆ์สาวกของพระภูยภาคเจ้านั่นหมูใดปฏิบัติตรงแล้วคือตรงตัวที่ไหนไม่ดูเลยครับ ตรงต่อเวลาหน้าที่ของเราถ้าจะพูดเอย่านี้น ะ, ะปฏิบัต barbecue, ิตดีก็ปฏิบัติดีด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจให้ดีทั้งนั้นปฏิบัติตรงก็ให้มันตรงต่อเวลาหน้าที่ของเราให้ตรงต่อพระพุทธเจ้าทา่านนี้ยายญาติปฏิปโนพระควตโตสรรราวกสังโฆสงสาวกของพระพุยภาคเจ้านั้นบุไดปฏิบัติ <SM. S 2> เพื่อลู่ทำเป็นเครื่องออกจากคุกแล้วนู่ที่ไหนก็ลู่ตัวสมุทฐานต้นเหตุกําเนิดที่เกิดของขมคิด ท่านให้ดูตรงนี้อันนี้แหละมักเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้ถึงขมดทุกนีโรคเต๋อพ้นไปออ <c oughs> ไม่ใช่จะเดินด้วยเท้าพ้นไปอย่างนั้นครับไม่เป็นอย่างนั้นคคือจิตอันนั้นมันพ้นจากภาวะอันนั้นครับเ <c oughs> มื่อพูดอย่างนี้ก็ <c oughs> ここสมมุติให้ฟังนะครับคุณให้ฟังเหมือกนกันกกบเราขุดบ่อน้ำนี่ครับขุดน้ําบ่อลงไปเราขุดไปแล้วไปถึงน้ําเอามือลงไปแต่น้ํามันเย็นครับแต่มันเป็นตรงเป็นเลยนี่ข้อสามมันเย็นเพราะมันมีลดน้ํา บัดนี้น้ําข้างในมันเป็นน้ําสะอาดครับน้าออกมาแล้วก็เอาเอาขันหรือเอาโอแล้วเอาอะไรก็ขล้วแต่ลครับตักน้ํานั้นออกน้ํามันต้มเป็นเป็นต้มเป็นเลนนะครับตักออกตักออกตักออกตักออกแล้วน้ํามันแห้งครับเมื่อน้ํามันแห้งมันบกไปแล้วเราก็ปะไว้น้ําข้างในมันจะไหลออกมาตามรูมันเมื่อมันเอามาข้างในมาเต็มปากบอแล้วก็มือไปกวนครับไปกวนปากบอยนะ ให้น้ำน่าปล่างตมล่างเลนล่างเอาลากไม้ล่างเอาอะไรทั้งหมดอันนั้ล่างออกไปน้ํามาซุกซุกอีกแล้วครับแล้วตักออกตักออกแบบนี้ตักออกแล้วมันหมดหมดแล้วน้ําข้างในมันก็ไหลออกมาเราปล่อยไว้มันเต็มพอที่มันเต็มเราปวนปากบ่อป้วนไล่มันจนหมดหมดตมหมดเลนหมดอะไรต่างๆหมดทั้งหมดนะครับแล้วก็ตักออกตักออกตักออกแล้วปล่อยไว้มันออกมาปวนมันก็ไม่ เป็นจกปุกแล้วก็ตักออกตักสองสามครั้งครับสมมุตินะครับแล้วหน้ามันปล่อยเอาไว้มันไม่เป็นฝ้าเป็นอะไรอะไรไปตกในบ่มันจะเห็นจะรู้จะเข้าใจทั้งหมดเลยครับอันนี้แปลว่าสะอาดสว่างสงบมีอยู่ในคนทุกคนอันนี้แหละครับแต่เราไปเข้าใจกันว่าสะอาดสว่างสงบต้องตายแล้วเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่รู้ตอนนผมรู้อันนี้ครับผมรู้อย่างนี้จริงๆครับผมจึงรับรองคําสอนของพระพุทธเจ้า และผมก็ต้องนําอันนี้ไปสอนไปแสดงให้ฟังครับมันเหนือดีเหนือชั่วมันเหนือบาปเหนือบุญจริงๆครับเรื่องนี้เรื่องนี้จะเอาเงินไปซื้อไม่ได้นะครับคนมีเงินร้อยล้านถันล้านเอาไปซื้อก็ไม่ได้ครับเป็นไม่ได้เรื่องจิตใจนี่ครับเรื่องตัวชีวิตนี่ครับแต่ตรงกันข้ามไม่มีเงินแม้ตะต่างเดียวก็ปฏิบัติได้ถ้าเป็นคนจริงจังครับผมรับรองได้ครับเรื่องนี้ครับมันเป็นอย่างนั้นในตัวหนังสือธรรมวิจารณ์ ผู้มือนังสัมเอกสารผมอ่านดูแล้วครับผู้ที่เจริญสติปัฏฐานสี่ว่าอย่างนนั้ให้ถูกต้องและให้ติดต่อกันเหมือนลูกโซ่ท่านให้ติดต่อและให้ถูกต้องและให้มันหมุนกันเหมือนลูกโซ่เหมือนนาฬิกานี่ครับมันให้มีไม่ให้มีหยุดนะครับอย่างนานเจดปีอย่างกลางเจ็ดเดือนอย่างเรวนับตั้งแต่หนึ่งวันถึงเจ็ดวันหรือสิบห้าวันท่านและมีอณิสงส์สองประการหนึ่งเป็นพระอรหรันต สเป็นพระนาคามีถ้าหากไม่ได้เป็นพระละหัน์ในปัจจุบันพบนี้นะครับต้องเป็นพระนาคามีแน่นอนนะแต่อันนี้ผมไม่ได้พูดอย่างนั้นครับแต่ขอให้พวกเราทั้งหลายที่มาฟังผมพูดในขณะนี้นะ่ะตั้งอกตั้ ง, งใจปฏิบัติเรื่องเจริญสติปัฏฐานสี่แบบที่เรากําลังทํากันอยู่เดี๋ยวนี้นะ่ะพลิกมือขึ้นให้มีสติเข้าไปรู้ยกมือขึ้นให้มีสติเข้าไปรู้ เอามือมาหาสะดือให้มีสติเข้าไปรู้ในใบหน้กัพริกมือซ้ายตะแคงขึ้นให้มีสติเข cool. ้าไปรู้ยกมือซ้ายขึ้นครึ่งตัวให้มีสติเข้าไปรู้เอามือซ้ายเข้ามาทับมือขวัวให้มีสติเข้าไปรู้เลื่อนมือขวาขึ้นหน้าอกให้มีสติเข้าไปรู้เอามือขวาออกมาตรงข้างให้มีสติเข้าไปรู้ลดมือขวาลงที่ขาขวัดตะแคง ไ, ไว้ให้มีสติเข้าไปรู้ขวมมือขวาลงที่ขาขว้ให้มีสติเข้าไปรู้ เลื่อนมือซ้ายขึ้นหน้าอกให้มีสติเข้าไปรู้เอามือซ้ายออกมาตรงข้างให้มีสติเข้าไปรู้เอามือซ้ายลดลงวางตะแขงไว้ที่ขาซ้ายให้มีสติเข้าไปรู้อ้วมือซ้ายลงให้มีสติเข้าไปรู้กำหนดรู้อันนี้เลยครับให้มีสติเข้าไปรู้ทุกอิรยาบุตรอันนี้เลยครับแต่อานิสงฆ์ไม่ต้องพูดอันนี้ครับผมรับรองได้เรื่องนี้ครับผมเองนะพูดอันนี้ครับ แต่พูดเรื่องนี้ก็จะหาว่าผมนี่พูดอย่างนั้นอย่างไม่ผิดไปแล้วอาจจะพูดทุดกข์กตามผมไม่เชื่อใครทางนั้นครับเพราะผมมีลักษณะนี้เป็นลักษณะทิฏฐิของผมเองครับเนี่ยผมเข้าใจว่าคําสอนอย่างที่ผมพูดเนี่ยมันเป็นคําสอนมาตั้งแต่เก่าแต่ก่อนนะถ้าว่าเก่าก่อนอาจจะไม่แต่เก่าแต่ก่อนนะมันเป็นคําสอนมาตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้านะแต่ผมพูดเรื่องนี้จะหาว่าคําสอนคําพูดอย่างนี้ใหม่ๆมันไม่ในวันนี้ครับ แต่คมจินมันเป็นของเก่าเป็นของเดิมครับแต่เราไม่สนใจเรื่องของเดิมเรามาสนใจเรื่องของใหม่ครับมันก็เลยไม่รู้ของเก่าอย่างนี้ที่ผมพูดนี้นะครับถ้าทําจริงๆนะครับอาณิสงฆ์ไม่ต้องพูดอย่างนานให้เวลาสามปีครับอย่างกลางสามเดือนครับตัวอย่างกลางหนึ่งปีครับผมพูดหลวงขอไทยไว้ครับอย่างนานสามปีอย่างกลางครับหนึ่งปีสามร้อยหกสิบห้าวัน อย่างเร็วที่สุดครับทำหนึ่งวันถึงเก้าสิบวันหนึ่งวันถึงเก้าสิบวันเหสามเดือนอานิสงไม่ต้องพูดความทุกประเภทโทสะโมหะโลภได้จะลดน้อยลงไปจริงๆครับจริงๆครับเรื่องนี้นับรองได้จริงๆเพราะความโกรธประเภทนั้นมันไม่มีอยู่ในคนดังนั้นการศึกษาและปฏิบัติแบบที่ผมพูดนี้ จะเป็นคนศาสตร์ไหนภาษาใดาถือศาสนาไหนก็ตามนุม่งผ้าสีอะไรก็ตามบวชกับปฏิบัติได้ไม่บวชก็ปฏิบัติได้เป็นข้าราชการตำรวจทหารก็ปฏิบัติได้เป็นครูโรงเรียนก็ปฏิบัติได้เป็นหมอเป็นแพกกนนนนนทย์ก็ปฏิบัติได้เป็นผู้ใหญ่บ้านกลับนั่นเป็นรัฐมนตรีก็ปฏิบัติได้ครับเป็นพระสงฆ์องค์เดงก็ปฏิบัติได้มีเงินร้อยล้านพันล้านไปซื้อไม่ได้ครับเอาอำนาจเป็นนายร้อยนายพันนั้นน่ะไป ผู้เห็นไม่ได้จริงๆครับมันต้องปฏิบัติเองครับอันนี้ครับอันนี้แหละเราเข้าใจกันมาผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นพระพุทธเจ้าผู้ใดไม่เห็นธรรมผู้นั้นไม่เห็นพระพุทธเจ้าจะจับสายจีวรพระพุทธเจ้าอยู่ก็ไม่เห็นพระพุทธเจ้าเลยเพราะไม่เห็นธรรมเพราะธรรมเหล่านี้ยังไม่ปรากฏครับเมื่อธรรมเหล่านี้ปรากฏขึ้นมาแล้วอันนั้นแหละคือเห็นพระพุทธเจ้าครับพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นน่ะ เราไปเห็นเจ้าทายสิท ธ, ธกักุมารอันนั้นมันเป็นพระพุทธเจ้าทางรูปทางเนื้อหนังทางกายทางวัตถุครับแต่เมื่อพระพุทธเจ้าจริงๆนั้นอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าจริงๆคือจิตใจของคนทุกคนมันสะอาดครับจิตใจของทุกคนนั้นน่ะมันสว่างจิตใจของทุกคนมันสงบครับมันมีอยู่ในคนทุกคนครับอันนี้ลักษณะควมเป็นของพระดิยบุคคลครับ ไม่ยกเว้นมีอยู่แล้วในคนทุกคนเดี๋ยวนี้ในขณะนี้นะครับถามพวกท่านเคยถามมาแล้วเป็นยังไงจิตใจเดี๋ยวนี้ครับเป็นยังไงเดี๋ยวนี้สงบดีครับเป็นยังไงครับท่านพูดได้ไ ป, ป, ปกติครับนี่อันความปกติอันนี้มีทุกคนไหมครับมีครับมีทุกคนนะครับนี่ลักษณะนี้แหละแต่เราไม่เคยสนใจที่นอันลักษณะนี้แหละเป็นลักษณะที่ทำให้พระพุทธเจ้าเป็นพระ พ, พุทธเจ้าเราไม่มาดูที่ตรงนี้เราก็เลยไม่เห็นเราก็เลยไม่รู้ เมื่อเราไม่เห็นเราไม่รู้ลรจะมีไหมแต่ถึงว่ของสิ่งนั้นมีอยู่แต่เราคอยยังไม่เห็นอันนี้แหละพระพุทธเจ้าท่านว่าถึงจะมีผู้รู้ไม่มีผู้รู้มันก็มีอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนเอาไว้ว่าทำที่ทําให้พระพุทธเจ้าเป็นพระพุทธเจ้านั้นมันมีก่อนพระพุทธเจ้ามันมีอยู่แล้วในคนทุกคนท่านสอนไว้อย่างนั้นแต่เราก็เลยไม่สนใจเดี๋ยวนี้พระสงฆ์องค์เนรหรือใครๆก็ตามนะครับ ก็หาว่าหมึดยุคมึดสมัยไปอย่างนั้นแล้วศาสนาล่วงไปได้ห้าพันปีแล้วไม่มีผู้ศึกษาเราเรียนพัฒน์ทำวิไนเลื่อเสื่อมไปแล้วว่าอย่างนั้นอันนี้ผมขอเล่านิทานเรื่องหนึ่งให้ฟังอีกนะครับผมไปนอนนากับพ่อผมแตนเมื่อผมเป็นเด็กครับพ่อผมเล่านิทานให้ฟังเป็นนิทานบนเรื่องอะไรก็ไม่ทราบนะครับเป็นเรื่องปลาลำปลาลาคำว่านิทานก็แปลว่าปลาลำปลาานั่นเองครับท่านว่าพระพุทธเจ้าในพื้นโลกนี้เอง จะเป็นโลกไหนก็ตามจะเป็นคนที่ไหนก็ตามพระพุทธรูปเนี่ยครับพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปเนี่ยครับจะเป็นพระพุทธรูปเงินหรือทองหรืออิดปูนอะไรก็ตามจะอยู่ในเมืองไทยก็ตามอยู่ในประเทศเขมรลาวหรือที่ไหนก็ตามเนี่ยให้ขึ้นซื้อว่าพระพุทธรูปนี้นะครับท่านว่าอย่า ง, งแล้วกับพระธาตุจะเป็นธานตาุาที่ไหนก็ตามสร้างไว้ที่ไหนก็ตามท่านว่าอย่างนั้น เมื่อศาสนาล่วงไปได้ห้าพันปีนะครับเรื<บ>่องติดวิญญาณที่ไปยุ่กับพระพุทธรูปนั้นท่านว่าเท่ากับเมล็ดงาและไปเกาะยุ่กับพระธาตุดันเท่ากับเมล็ดงาเวลานั้นพอผมเล่าให้ฟังบัด น, นี้เมื่อศาสนาพุทธได้ล่วงไปได้ห้าพันปีแล้วพระพุทธรูปนั่นเแี่ยครับกับพระธาตุนันแหะจะเหาะไปรวมกันที่ไหนไม่ทราบตอนนั้นผมจําไม่ได้ครับเพราะผมเป็นเด็กเมื่อไปรวมกันแล้ว พระพุทธรูปกับพระธาตุนี่ยจะแตกผางออกจากกันทีเดียวแล้วเป็นอิเป็นปูนจะทะเลเอจะเปื้อนทะเลเป็นเป็นทะเลเป็นน้ําเป็นปูนเป็นแป้งเป็นอะไรไปหมดเลยครับแต่ดวงจิตวิญญาณที่ไปเกาะอยู่กับพระพุทธรูปเท่ากับเมล็ดงาเนั่นแหละครับทุกลูกเลยครับและกับพระธาตุทุกธาตุเลยครับจะมารวมตัวกันเข้าเป็นรูปเจ้าทายสีสักคุมานและเป็นรูปพระพุทธเจ้าของเรานี่ยแหละอีกตึมข้างหนึ่งครับมาแสดงทําให้ฟัง คนใดได้ไปได้ไปฟังธรรมะยุคนั้นเนี่ยครับสมัยนั้นเนี่ยครับจะได้ดวงตาเห็นธรรมเป็นพระโสดาบันก็มีเป็นพระสักกีทาคาก็มีเป็นพระนาคาก็มีบางคนเป็นพระอรหันต์เมื่อได้จิตวันจิตคืนแล้วพระพุทธเจ้านั่นก็เลยตายว่าใช่ไและผู้ที่เป็นพระอรหันต์ก็ตายไปเลยไปนี่พานกับพระพุทธเจ้าวะท่านตอนนั้นผมเสือผมได้ทําบุญให้ทานอะไรทั้งหมดผมปรดฐถนะยับตะเกิดที่ตรงนั้นครับ ยุคนั้นศาสนาพุทธได้ล่วงไปได้ห้าพันปีนะครับพ่อแม่เนี่ยเห็นกันไม่รู้กันพ่อมืดเจ็ดวันเจ็ดคืนนะครับอดอาหารตอนนั้นระยะนั้นครับไม่ได้กินข้าวกินน้าเลยครับไม่ไม่มีความสว่างเลยครับเท่ามืดกับที่ว่าเหมือนกับอยู่ในถ้ำนะี่แหละเดินไปไหนมาไหนไม่รู้ใครเป็นใครอึดอาหารการกินอึดทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่ได้กินข้าวกินน้ําเขาเดินไปไปเรียกว่าไป ไปชนกันก็ได้ไปตำกันก็ได้หรือไปจับกันก็ได้ครับไปจับถ้าพ่อแม่ไปพกกันก็กินกันเลยครับคือไม่รู้ว่าใครเป็นผัวเป็นเมียพ่อแม่ไปเห็นลูกก็กินพอเห็นลูกก็กินแม่เห็นลูกก็กินว่าจะใครไปพกกันเข้าใครมีกําลังก็ปั้มกันกินกันเลยทีเดียวครับว่าอย่างนั้นครับเป็นสัตว์ครับในยุคนั้นครับเป็นสัตว์กินกันไม่เลือกหน้าเลยหมดว่าอย่างนั้นพอผมมาให้สัง อันนั้นพอผมท่านก็ไม่รู้แต่ท่านก็รู้แต่ท่านรู้คาพูดอันนี้ว่ารู้จํารู้จักรู้แจ้งรู้จริงตอนนั้นผมไปนั่งกรรมฐ า, านผมรู้อย่างนี้ครับคําว่าพระพุทธลูกนี้เหมือนกับคนทุกคนครับตัวทุกคนนั่นแหละเป็นพระพุทธลูกครับเป็นลูกเหมือนกันแต่ก็มีดวงจิตวินงานพระพุทธเจ้ามาเกาะอยู่ในตัวคนนั้นทุกคนเลยครับอันนั้นเท่ากับเม็ดงาไปเกาะอยู่กับพระพุทธลูกนั้นอันนั้นัเป็นเรื่องสมมุติพูดครับ คือมาเกาะอยู่กับจิตใจเหล่านี่แหละครับสามารถที่จะให้เราเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้ครับเมื่อเราจเจริญถูกต้องแล้วครับผมเลยเข้าใจอย่าง น, นโอ้พ่อเหล่านี้ก็รู้อย่างนั้นก็มาสอนเราอย่างนั้นไม่ได้สอนหรอกท่านเล่าให้ฟังและผมจําได้ครับเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นครับคําพูดอันนี้มันเป็นที่ลึกลับซับซ้อนจริงๆครับอันนี้ปนแปลว่าหูทิพตาทิพมันเข้ามาในหลักนี้ครับแต่ก้อนผมไม่เข้าใจครับ เมื่อผมมาเข้าใจโอ้คำว่าหูทิพตาทิพนี่หมายถึงสติปัญญานี่สามารถจะจอดหรือแทงทะละ้ทะลุเจาะเข้าไปถึงความคิดอันนั้นถึงคําพูดอันนั้นผมเข้าใจอย่างนี้ครับอันนี้แหละหูทิพตาทิพที่ผมมาเข้าใจในสมัยใหม่ๆนี้นะครับอันนี้ในสมัยเมื่อผมไปทํากรรมฐานผมรู้เรื่องนี้ครับอันนี้หูทิพตาทิพที่ผมรู้มานี้ไม่ใช่ว่าหูทิพนั่งอยู่ที่นี่มีคนพูดอยู่ที่ไหนได้ยินหมด โอ้ยอันนันผมไม่เข้าใจเรื่องนั้นครับผมไม่รู้อย่างนั้นคําว่าตาทิพย์ยั่งอยู่ที่นี่แล้วเขาหมุนสลากกินแบ่งอยู่ที่กรุงเทพมันไปเห็นนั่ะผมก็ไม่เข้าใจเรื่องนี้ครับไม่เข้าใจจริ ง, รงๆเรื่องนี้นคําว่าหูทิพย์ตาทิพย์ของผมรู้ในข่าวนั้นระยะนั้นเวลานั้นหมายถึงคนพูดให้ฟังตั้งแต่เข้าแต่ก่อนก็ต า, ามมันเอามาฟื้นขึ้นมาทั้งหมดเลยครับหรือว่าสาตร์นั้นสาตร์นี้เรื่องอดีตอ น, นาคตโอ้ยผมไม่รู้ครับ จำศาตร์ได้ศาตร์นั้นได้ผมไม่รู้จริงๆเรื่องมนี้ครับแต่ผมรู้คําสอนของพระเจ้าท่านสอนเอาไว้หัดีดตยาอามากําหนดอนาคตยามากำหนดให้อปจจุบันเป็นเกณฑ์ผมจําได้ตอนนี้ครับเรื่องคนตายแล้วจำศาสตร์ได้ไปเป็นนายเป็นอะไรอะไรโอ้ยไปตกนรกไปเมืองโอ้ยอันนั้นผมไม่รู้เรื่องนะครับแต่ผมกับฟังได้ครับเรื่องนี้ครับนี่เรื่องหูทิศตาทิศผมเข้าใจมาเรื่องนี้จริงๆแล้วก็อีกบทหนึ่งครับพดเรื่องนิทานนะครับ นี่คำประลัมประหลาญนิทานผมไปนอนนากับพ่อผมผมมีมีไอ้ายน้องหลายคนไปนอนแต่ว่าน้องผมติดติดผมมันเป็นน้องครับถ้าก้อยควยออกไปตอนเท้าควายนะครับคำว่าควยนี่อาจจะไม่รู้เพราะภาษาบ้านผมเรียกว่าควยครับเนี่ยภาษาตามตัวหนังสือเรียกว่าควายครับก้อยควยออกไปตอนเท้าเนี่ยบาด น, นี้ไปไล่ควยมามาคอกมาแลงเนี่ยมาคอกมาแลงบ้านผมเรียกาอามาที่ ที่พูกเนี่ยมันไม่อยากมาครับท่านว่าให้ไปเอาเงาเอาควายเนี่ยไปแล้วก็ไปไล่ขวายกลางวันมันไม่มาเนี่ยมันก็ยิ่งไล่มันไปก็ก็ยิ่งไปหน้าที่ครับมันก็ยิ่งไปกินหน้าไปกินไปกินไปสองพี่น้องสามพี่น้องไปด้วยกันก็เลยกลับบ้านไม่ได้มันมืดแล้วด้วยครับมืดแล้วก็เลยมัดขวายไว้มัดขวายไว้ที่ต้นไม้มัดขวายแล้วก็ไปทางใดเมันก็นอนนะบุญพี่สายก็เลยย่านน้องสายก็เลยนอนนอนที่ต้นไม้ กับขวายครับพี่สายก็ขึ้นไปนอนอยู่บนคุไม่นอนอยู่งาไม่เถงเถงเนื้อเสือมันกะลำลํามาแล้วพี่สายได้ก็ย่านตายนะครับเสือมันลํามาคนบุญนี่แขนคอกระโบยากคนบาปนี่แขนฟ้ากระซิกินเนื้อเสือมันลํามาอันนี้พอแม่ผมสอนให้หักให้แทงกันนก็ดีนะครับพูดของทางัานอย่าไปพู้นึงผู้เดียวขันไปพู้นึ่งผู้เดีย ว, ไ, ยวไม่มีมือไม่มีเพื่อนท่านสอนอย่างนั้นขันมีครูสองคนสามคนก็นสบายใจเสือมันกะลำลังมา คนบุญนี่แขนค อ, อกระโบยากคนบาปนี่แขนฟ้ากระสิกินมาทันล้ำมามาหม้อเข้าหม้อเขาพี่สายมันมันไม่หลับใช่ครับน้องสายมันนอนหลับครับเพราะคนนอนอยู่ง่าไม่มันก็หลับหลับหลับตืนตื่นไปจะมันนอนไม่สบายครับน้องสายมันนอนอยู่ใต้ดินมันนอนสบายมันนอนไม่ตื่นเลยครับมันหลับเต้อยู่เงี้ยเพื่อกล้ำมาใ้ๆแบบคนบุญนี่แขนคอกระโบยากคนบาปนี่แขนฟ้ากระสิกินเลยมาค้อนมันก็เอาดังมาดมน้องสายนอนที่ต้นไม้มั น, น, น, ی, นก็เลยไม่ขินครับ พอดีมันดมน้องสายแล้วก็แงนหน้าขึ้นมาเสาาือมันแงนหน้าขึ้นไปแสงตาเสือมันภาพใสนขนคู่พี่สายนอนอยู่ต้นไม้นอนอยู่งาไม้พี่สายตกใจก็เลยตกลงมาตุ๊บมันตกมาพื้นดินนี่ครับพอดีง้อยมาเสือมันกระโดดตะคุบกินเลยครับเสือกินพี่สายเลยน้องสายเลยไม่กินควายก็ไม่กินน้องสายก็ไม่กินเหมือนกนอันนี้พอผมเล่าให้ฟังนี่มันเป็นปัญหาที่น่าคิดจริงๆครับเรื่องนี้ไม่ใช่สอนแต่เพียงฮักแพงกันเท่านั้นนะครับ เรื่องนี้มันเป็นปริศนาอย่างลึกลับซับซ้อนคนบุญนี่แขนขอกระบียดคนบาบมีแขนฟากรสิกินเนี่ยเข้าใจอย่างนี้ผมมันมีตาทิพมันมีหูทิพมันฟังได้อย่างนี้ครับคนบุญนี่เนี่ยไม่อิจฉาเบียดเบียนใครทั้งหมดเลยครับไม่หลักไม่ปุ้นไม่จี้ไม่เอาของใครทั้งหมดเลยครับคนบุญมันเข้าใจอย่างนี้ครับคนบาบนีเห็นของใครก็เอาตะพื้ตะพือนไปเลยเนี่ยมันยากทั้งหมดเลยมันมีโลภะ มันมีโทสะมันมีโมหะเรียกว่าคนบาป ท, ทั้งนั้นครับคนไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีโลภะแล้วพันว่าคนบุญทั้งนั้นอันนี้แหละผมเข้าใจว่าบาปหนักที่สุดในโลกผมเข้าใจอย่างนี้อะไรบาปหนักคนขาดสติคนไม่มีสติบาปหนักที่สุดครับผมเข้าใจอย่างนี้ถึงจะเข้าวัตสังทำจํำสินก็ตามถ้าหากไม่มีสติดูจิตดูใจคนนั้นก็ถือว่ายัง ไม่ได้เข้าวัดยังไม่ได้ฟังธรรมยังไม่ได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้ายัางไม่มีบุญสมบูรณ์เลยครับตรงกันข้ามแบบ น, นี้ครับคนที่ไปไหนมาไหนมีสติติดตามดูจิตดูใจอยู่ทุกขณะทุกเวลาทุกวินาทีทุกนา ท, ท, นาทีทุกอนุอะไรผมไม่เข้าใจเรื่องวิทยาศาสตร์ที่ผมไม่เข้าใจครับจิตใจมันนึกมันคิด รู้เท่ารู้ทันรู้จักกันรู้จักแก่รู้อยู่ทุกขณะอันนี้บีบุญมากที่สุดครับอันนี้แหละบุญมากที่สุดครับจะรักษาศีลก็ได้ไม่รักษาศีลก็ได้จะทำบุญก็ได้ไม่ทาบุญก็ได้แต่ให้มีสติจิตใจมันคิดปุบขึ้นมามันมีโทสะโมหะโลภะอยู่ให้รู้ทันทีถ้ามันไม่มีโทสะโมหะโลภะมันกระดับไปเฉยๆถ้ามันมีโมหะโทสะโลภะมันจะปรุงไปมันเข้าใจอย่างนี้ครับตอนนี้ครับ นี่แหละหูทิพย์ผมเข้าใจอย่างนี้ตาทิพย์ต้องเข้าใจอย่างนี้เนกคนบุญนี้แขนขอกระโบยา่าคนบาปนี่แขนคว้างกระติกินทัานเราจะดูได้ครับคนใดไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีสติแล้วโวยเข้าไปเห็นไปสวนไปให้ผู้ใดก็ตามเข้าไปล้านขายของไปบริษัทมาเต็บผิดตาเจ้าของไม่เห็นกะอยากจับเอาเลยครับมันเป็นอย่างนั้นครับคนบุญนี่ไม่เอาครับจะเอาของค้นก็เหมือนกับของเรา จะเอาของใครก็เหมือนกับของเราคนอื่นเอาของเราเราก็ไม่พอใจเราไปเอาของมู่ดมู้ดของคุณจะไม่พอใจมันรู้จักจิตใจของคนครับอันนี้แหละมองเห็นจิตใจตัวเองครับแล้วก็เห็นจิตใจคนอื่นแล้วก็เลยไปว่าพระพุทธเจ้ามองเห็นจิตใจคนนั้นคนนี้อันนั้นมันเข้าใจอย่างหนึ่งครับมันเข้าใจคนละเรื่องกันครับพระพุทธเจ้าท่านสอนให้รู้จักจิตใจเราจิตใจเราเป็นยังไงคนนั้นก็เป็นเหมือนกันกับเราท่านสอนอย่างนั้นท่านสอนให้รักตัวเรา เม ouais. ื่อลักตัวเราก็เคารพตัวเราเมื่อเคารพตัวเราก็เป็นการเคารพคนอื่นเมื่อลักคนอื่นกันเหมือนกับลักเราลักเราก็จะลักคนอื่นเคารพเราก็เคารพคนอื่นอันนี้แหละครับที่พระพุทธเจ้าท่านสอนคําสอนทุกศาสนาครับไม่เหมือนกับคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นสอนและรู้จักอิสระด้วยนะครับอันนี้แปลว่าลู่แจ้งรู้จริงครับไม่ใช่รู้จําไม่ใช่รู้จักครับดังนั้นพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เรามีสติครับ เมื่อมีสติแล้วมันจะรู้เองเห็นเองเข้าใจเองสิ่งที่มันจะปรากฏมันมีมามันมีอยู่แล้วครับมันมีอยู่แล้วในคนทุกคนเหมือนกับที่ว่าจิตวิญญาณของพระพุทธเจ้าไปคล้องไปเกาะอยู่กับพระพุทธรูปนั่นแหละครับอันพระพุทธรูปก็หมายถึงคนนี่เองครับพระแปลว่าผู้ประเสริฐท่านมาอย่างนั้นพระพุทธรูปเนียครับพระนี้ยังไม่ตายจะมาเกิดหรือ ม, มาตัดสรูปข่าวนั้นก็เหมือนกันครับ พระแปลคู่ประเสริฐคือจิตใจมันประเสริฐจิตใจมันสะอาดจิตใจมันสว่างจิตใจมันสงบคําว่าสะอาดนั่นก็หมายถึงตัวชีวิตจิตใจของเรามันไม่เคยโซโครกครับคําว่าสว่างก็หมายถึงเราใต้ไฟฟ้าหรือใต้เทียนจะไปไหนมาไหนมันเห็นก็หมายถึงเราเห็นตัวชีวิตเห็นจิตเห็นใจเหล่านี้เอ ง, เองเรียกว่าสว่างคําว่าสงบก็หมายถึงมันหยุดแล้วมันไม่ทําอะไรอีกต่อไปแล้ว มันไม่ไปไหว้วอลผีเทวดาที่ไหนแล้วมันไม่ไปทำอะไรอีกแล้วอันนี้เพื่อน่เอิ้นสงบอันนี้เราก็เลยไม่รู้ว่าจิตใจนะทำให้จิตใจสะอาดสว่างแม้ตัวผู้สอนก็ยังไม่เข้าใจเมื่อไม่เข้าใจเราจะไปสอนคนอื่นได้ไหมไม่ได้ลูกจิตงูเอออาจารย์งูลูกจิจะสลาดได้ไหมผมว่ายากที่สุด